ให้ท้อกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติคุณงามความดีเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอย่างที่พวกเราได้กล่าวแต่เมื่อกี้เราเป็นอามิชบูชาคือผูกเกียนดอกไม้อันนี้เราอามิชบูชาปฏิบัติบูชาพวกเร า, เาไหว้พระสวดมนต์แล้วนั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบจากนั้นก็ถอดถอนกิเลสภายในใจของเราอันนี้เร า, าปฏิบัติบูชา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 หลวงปู่หลุยแถบจังหวัดเลยอีกให้เขาจะดูครูบาอาจารย์ให้ครบซะก่อนจากนั้นเราจรึงจะเลือกว่าเราจะอยู่กับเข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เราได้ดูมาทั้งหมดแล้วนั้นนูน่นความคิดของเราส ม, มัยนั้นก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะเื่องทิฏฐิแต่เราไม่เคยดูถูกครูบาอาจารย์แต่ละองค์มีดีอันหนึ่งก็ได้อันหนึ่ง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 ให้แนวความคิดหลวงพ่อเองก็มันนำมาพิจารณาไต่ตรองเออใช่หลวงอาได้พูดถูกค่ ะ, ะควรจะเป็นอย่างนั้นเราควรจะรู้จักประมาณตนอย่าไปทำอะไรให้ฟุง้งเฟ้อฟุง่งเฟือยลืมตัวลืมตนไม่ดีเราต้องอยู่ให้รู้จักประมาณตนนี่แหละอันนี้แหะคืออยู่กับหลวงปู่จามท่านก็สอนก็มีประโยชน์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 ก็แล้วเอายื่นแก้วองคนั้นมาสิองนั้นก็ยื่นแก้วให้โอ้แก้วนั้นองหลงเนี่ก็เทเทใส่แก้วเอาดื่มเฮ้ยองนั้นก็มาได้ตั้งท่าเหมือนกันพราะไม่รู้ใช่ไหมพอดื่มเกือบเข้าไปนะคอนั้นเกือบบวนเทงว่ามันมันทั้งเค็มทั้งเค็มทั้งเปรี้ยวว่างั้นได้องนี้ที่ไปล่อไปล่อองนั้นแล้เขาดื่มได้ตัวเองก็หัวเราะเลยสิเออหัวเราะขึ้นมา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 ขนาดอยู่กับหมาก็ยังทะเลาะ ก, กับหมาไม่ต้องพูดอยู่กับลูกกับหลานไม่ไม่ว่าอยู่กับคนอยู่กับหมาก็ยังไม่เข้าใจกับหมาอีกแล้วมีดีที่ตรงไหนดูสิดูตัวเองสิถ้าคนดีแล้วจะเขาจะไม่พูดอย่างนั้นท่านดีแล้วอยู่ที่ไหนตีหมดเราต้องมองดูธรรมชาติของสิ่งตั้งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างไรอ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 พระพุทธองค์พยากรณ์ไว้เลยใช่ไหยนี่แหะอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์สาวกของพระองค์ขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะ่ความเป็นมาของพระพุทธศาสนาความเป็นมาของพระพุทธเจ้าพวกเราต้องสํารวมระวังครูบาอาจารย์แต่ละท่านแต่ละองค์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 ว่าอีกสามเดือนจะได้สําเร็จเป็นพระรหันต์แต่พอถึงสามเดือนจริงแล้วพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วพระมาหาคัจจปะก็ประกาศว่าเราจะทําสังขารยนาไหมพระสงฆ์ก็เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะทําสังขารยนารวบรวมหลักพระธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่ทั้งวินยัยคือพระธรรมหรือพระประมัตธรรมจะให้เป็นหมู่เป็นหมวด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 ไม่ได้ยกคูยกคายอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆคนน่าจะทานญาติโยมอยู่ณนบ้านก็ได้อยู่ในป่าก็ได้อยู่ในวัดก็ได้เสรปแล้วก็คืออยู่ในสถานที่สงบสงดัดเป็นส่วนตัวส่วนตัวถ้ามีคนมาก อ, อยู่ข้างๆ ข, ของเราเข้าเขานอนคนคือกากือกาก่ีมันจะนั่งภาวนาจะไม่สงบแต่ถ้าเรานั่งอยู่ตามลำพังเอ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 เป็นสภาพของมันเป็นธรรมชาติเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยเป็นตามธรรมชาติของมันใจของเราคือธรรมชาติหนึ่งเรารู้จริงแล้วมันก็ไม่เพิ่มก็เพื่อมไม่มีอารมณ์โมโหโกธาโลกโกดหลงเื่องจิตใจเมื่อเราพิจารณาทำถึงขั้นนี้แล้วน่ะมันเข้ามาหาใจเลยใจกับกายกายกับใจใจกับกาย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 ครูบาอาจารย์อย่าไปอย่าไปอย่าไปแตะไฟอย่าไปใกล้ไฟน่มันเป็นไฟให้ครูบาอาจารย์ให้ห่างแต่ให้เคารพในความคิดเราจะบูชาพระคุณท่านก็บูชาเราจะทำบุญทาทานท่านกะทำทานแต่ว่าการดูถูกเหยียดหยามที่เราไม่รู้จริงเห็นจริงนั้นเราไปพูดเราไป